พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนักคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9เมษายนส5 5 9ายมีชื่อเรื่องว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันคณะทายาิโยมท้าหาว่า ฟังหลวงพ่อแล้วไม่จุกใจนะหลวงพ่อมีเอหนังสือมาแจกด้วยเลยสามเล่มเอาอ่านดูอันนี้แนวทางเจริญจิตตภาวนาอันนี้มักคาสู่ความบริสุทธิ์เล่มนี้หลวงตามหาบัวท่านไปเยี่ยมวัดหลวงพ่อ พอไปถึงท่านก็นเทศอบรมพระในวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่อันนั้นนะแปลว่าไม่ไม่ใช่มีแต่ขนมนมเนยนะี่ไปแจกนะบางทีก็ค้อนตะพดบางค้อนแปดปอนบางให้สาธยาิโยมอ่านดูนะหลวงตาท่านท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านสอนอยังไงนะ หลวงพ่อได้อ่านป้ายที่มาอยู่ในอาคารหลังนี้บอกว่าผู้ที่อยากจะให้มาแสดงธรรมนะบอกว่าศีลธรรมกลับมาเออกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดวันนี้เป็นวันที่เก้า เมษาโยนพุทธศกราช2559วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะผู้ดูแลจัดการจดหมายเหตุท่านหลวงปู่พุทธทาสอินท ป, ปั ญ, ญโยเกยไปวัดที่หลวงไปวัดหลวงพ่อก็อได้ที่มนหลวงพ่อหลายครั้งจะให้อยากจะให้มาดูข อ, อจดหมายเหตุ ท้องหลวงปูป่พุทธธาตุแต่หลวงพ่อก็คิดมาหลายครั้งให้เหมือนกันที่รับว่าจะมาดูแต่พึ่งวันนี้เพิ่งเพิ่งมาเพิ่งพ่งได้มาวันนี้นะแต่ว่าจุดหมายของหลวงพ่อที่อยากจะมาดูก็คืออยากจะได้ดูแนวทางที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวว่า เราจะเอาตรงไหนอย่างไรที่จะเอานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเก็บเอกสารด้วยทั้งเก็บแท็บ MP3 ด้วยทั้งถอดธรรมเทศนานขององหลวงตาให้เป็นตัวหนังสือด้วยเพราะนั้นเรื่อง ธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาบวนมากจริงๆ เ, เป็นหลายหมื่นเป็นหลายหมื่นกันและก็ตรงที่ท่านออกมารวบรวมหาทองคำเข้าคลังหลวงของหลวงตาเนี่ยอันนี้คือจุดนี้รู้สึกว่าหลวงตาออกมาเป็นธรรมเทศนาของหลวงตาเยอะมากเลยตัวนี้เพราะนั้นอยากจะมาดูๆว่า เราจะทำยังไงจะเก็บจะเก็บธรรมเทศนาหรือเก็บเรื่องราวขององค์หลวงตาให้เป็นหมวดหมู่แต่ตดยที่หลวงพ่อเองก็พยายามพยายามให้เขาถอดถอดอันไหนที่เขาถอดแล้ว อ, อ, อยู่ในอะไร เ, เป็นตัวหนังสือแล้วคือเขา ออกทางเฟซบุ๊กทางอะไรในละักษณะอย่างนั้นถหะหลวงพ่อไม่ชำนาญแต่ออนนั้นก็มากอยู่แต่บางกันเขาก็ยังไม่ได้ถอดตัวนั้นกำลังถอดอยู่ทั้งบดมีเท่าไหร่เ่กี้กันไม่ใช่น้อยนะครับในสุดท้ายญาติโยมลูกหลานนะเป็นหมืนม่นๆกันธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวเพราะนั้นหลวงพ่อได้มาเห็นหมู่นิธิหอจด หอจดหมายเหตุของหลงปู่พุทธทาสเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งถ้าหาว่าจะได้ทำจริงๆหลวงพ่อกขคงจะได้นำพวกที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูๆอีกเหมือนกันนะควรจะนำอันไหนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับหมู่นิธิเรือว่าของหลวงตามหาบัวแต่เดี๋ยวนี้ ทางมหาวิทยาลัยศิลปรกรเขาก็ออกแบบเกี่ยวกับเจดีพอเจดีแล้วเขาจะมีพิพิธภัณฑ์มีอยู่สามหลังมีสมจุดแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจุดนี้แหละจุดที่จะขายายผลองคหลวงตาเนี่ยเอาธรรมเทศนาของหลวงตาและประวัติของหลวงตาลงหลืวก็ธรรมเทศนาของหลวงตา ลงใส่จุดจุดนี้หลวงพ่อยังคิดหนักใจเหมือนกันนะจะทำยังไงจึงจงัถูกต้องสวยงามแต่หลวงพ่อยังคิดไกลจนถึงว่าประวัติของหลวงตาและธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวเนี่ยน่าจะมีเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยหลวงพ่อคิดขนาดนั้นคขนาดทา ย, ยาโจมรูปลานเพราะว่าหลวงตาไปแล้วเนี่ย ท่านท่านกงไม่กลับมาพูดอีกแล้วอย่างเหมือนกับท่านหลวงปู่พุทธทาสของพวกเราเนี่ยท่านไปแล้วท่านก็ไม่กลับมาพูดอีกแล้วอันไหนที่จะเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานลูกหลานก็ควรจะเก็บไว้เป็นมรดกอัดรมสําหรับให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปในอนาคตมีคุณค่าสําหรับลูกหลานผู้ไฟ ในการบุญการกุศลไปในหาความรู้นะนั่นแหละหลวงพ่อมาเห็นในข่าวเนี่ยหลวงพ่อก็คือเป็นแนวความคิดดีทีเดียวแต่ทีนี้กรงพ่อมาข่าวนี้ครั้งนี้ที่คณะเร้งนิมนต์จดหมายไปนิปรับนิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อกัในะจดหมายจุดใหญ่กับหลวงพ่ออยากจะมาดูพิพิธภัณฑ์ ของหลวงปู่ของเรานะหลวงปู่พุทธทาสก็วันนี้ก็ได้ชมหลายๆอย่างกระชมแล้วเป็นตู้เก็บเอกสารแล้วก็หลายๆแนวแต่ก็คงจะไม่ละเอียดเท่าไหร่กับวันนี้แต่ว่าข่าวต่อไปข่าวหน้านะครั้งหน้าหลวงพ่อคงจะเอาทีมมานดูๆอีกเหมือนกันนะคณะกรรมการายาทโยมนะกรรมการทั้งหลายนะ หลวงพ่ออาจจะมาเอาทีมมาดาูมาดูว่าจะเอาจับจุดไหนที่ไปทำให้เกิดประโยชน์พอสร้างขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะอันนั้นสัตยาญาโยมไม่ใช่ของหลวงพ่อเองไม่ใช่ของผู้ไหนผู้ใดใครผู้หนึ่ง เ, เป็นสมบัติของแผ่นดินสรุปแล้วก็คือลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าพวกลูกหลานของเราได้ฟังได้ศึกษา ในหลักธรรมคําสอนของหลวงปู่หลวงตาก็จะเป็นคนดีคนเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าว่าคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราออะไรเพราะคนมีคุณธรรมถ้าว่าคนไร้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็มีแต่ความเดือดร้อนหุนหวายเพราะนั้นการจะรู้ในเรื่องเหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษา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 ตามจินตนาจินตนาใครแคบทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นให้เกิดปัญญาเนียกว่าจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใไขขวรทบทวนแล้วก็ภาวนามยะปัญญ า, าปัญญาเกิดจากการทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยว่อาอ ภาวนาเมยปัญญาเพราะนั้นเรื่องสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งหมดตัด้งแต่เบื้องต้นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมแล้วก็สูตรตามเมยปัญญาจินตามเยปัญญาภาวนามยปัญญาสรุปแล้วก็คือสู้สู้สั่งและสะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาคารอาศัยการศึกษา ถ้าบอกพวกเราไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังจ ะ, ะเฉลียวฉลาดขึ้นมาเป็นของแปลกเหมือนกันนะคณะสถา ญ, ญาติโยมลูกหลาน เ, เพราะนั้นขอจดหมายห อ, อทีอ่จดหมายเหตุหลวงปู่พุทธทาสอินทปัญโยของพวกเราเนก่นี่แหละอันนี้ก็ให้พวกลูกพวกหลานได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษา ยังไงก็ตามข อ, ขอให้พวกเราคณะจตหายาดโยมลูกหลานทุกคนผู้เข้ามาศึกษาธรรมะเราต้องศึกษาต้นตระกูลของพวกเราถ้าเราจะศึกษาอยากจะรู้นะต้องศึกษาต้นตระกูลของเราคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านประกอบคุณงามความดีอย่างไรท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านนี้ออกจากเวียงวังจากนั้นท่านก็ได้ ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าเป็นเวลาถึงหปีแล้วท่านทํำยังไงในการบำเพ็ญของท่านนั้นที่บำเพ็ญของศิษย์ท่านศิษย์ธรานั้นท่านบำเพ็ญยังไงอยู่ในป่าในรายนั้นอันนั้นก็เราก็ต้องเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นเครื่องเออเป็นแบบตัวอย่างเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูครูของเราเป็นเบื้องต้นเราจะ มาจับต้นจับปลายขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังสงสัยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหลับว่างต้นว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมปวิยานยในวันเดือน6เพนนั้นท่านได้ตัดรู้อะไรนะปุกเพนิวาสานุส ต, ติยานจุตูปปาตยานอาสาวัคยายานอันนี้ก็คือวันเดือน6กเพนที่ท่านได้ตัดสู้แต่หลวงพ่อเองแต่ถึงยังไง หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อในฐานะที่เป็นพระป่าพระรงพระทุรงพระกรรมฐานอย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่าทั้งรุ่นจะให้ใช้ภาษาสลับฉลวยนะั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ทางบอกผู้ใดติดอ่านฟังในเฟซนะก็คงจะได้รู้ว่าหลวงพ่อแสดงธรรมแต่ถึงยังไงก็าตามหลวงพ่อ จะพยายามบอกกล่าวเรื่องคณาจารยาญาติโยมโ ล, ลูกหลานให้ศึกษาตามแนวแถวที่ว่าเรื่องพุท ธ, ธะก็คือเป็นแบบเป็นกระจกเงาที่เป็นตัวอย่างของพวกเราส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อพยายามเอาเอาแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้เข้ามาศึกษาในยุคปัจจุบัน ที่หลวงพ่อบวชมาเป็นแต่เ ป, เป็นสัมเาณ จ, จนจนถึงเป็นพระขณะนี้ละคณะสัตยาจมเป็นพระเดี๋ยวนี้ก็นุ่นอายุค น, นเจ็ดกว่ากว่าด้วนะลูกหลานนะอายุ71ปีแล้วนี่แหละการบวช เ, เข้ามาเนี่ยพรรษาที่บวชเป็นพระก็51หันบรรษาเนี่ยเราหลวงพ่อเข้ามาศึกษาในสายนี้สายแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ท่านสอนอย่างไรนีแต่ท่านสอนเรื่องสมาธิสินสมาธิปัญญาสำหรับท่านสอนพระนะท่านไม่ได้สอนให้ทานรักษาสินภาวนาสำหรับฆราวาสท่านสอนเรื่องทานเรื่องสินเรื่องภาวนาแต่สำหรับสอนพระท่านสอนว่าสินสมาธิปัญญาพระทุกองค์ต้องเป็นผู้มีสินถ้าหาว่าพระไม่มีสินพระทุกสินพระไม่มีสิน และจะนั่งภาวนาจะทําให้จิตใจสงบได้ยากเพื่ออะไรเพราะว่ามันวิตกกังวลในศินของตอนเองศิงนไม่บริสุทธิ์ได้เมื่อไม่สินไม่บริสุทธิ์พอระลึลกถึงศินจิตใจมันก็วิตกกงังวลจิตใจไม่ไม่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นท่านจึงสายล้มภูมันท่านจึงให้รักษาศินศิน227หรือว่าพิกษุมาจารย์ ท่านพยายามท่านบอกกล่าวลูกศิษย์ของท่านท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายที่จะบําเพ็ญสู่มรรคผลนผิพพานนั้นศีลต้องบริสุทธิเ์เพราะว่าถ้าหาว่าศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นมลทินขึ้นมาตัวของท่านเป็นมลทินใจเป็นมลทินไม่รักษากายวายจาให้เรียบร้อยท่านจะภาวนาจิตใจจะไม่สงบนะมันเป็นวิต เ, เ, เป็นวิตกกังวลในตัวของท่านเอง ถึงท่านจะอยู่ป่าดงพงไพ่ยอยู่ตามลําพังท่านจังยิ่งเข้มงวดปวดขันเรื่องศินและวินยัยท่านจะชราใจไม่ได้อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ต้นตระกูลที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิ์นะจากนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่น ต, ต่อมาท่านก็เน้นหนักเรื่องของศินเหมือนกันแต่หลวงปู่มันท่านบอกว่าศินเล็กๆน้อยๆเหมือนกับผงธุลีเหมือนผงธุลีถ้าว่าเราไปหยู่นที่ใด ไอ้ขอนจอูขอนยางมันไม่เข้าตาของเราหรอกมันมีตะผงทุรีของละเอียดละเอียดมันเข้าตาของเราหลายครั้งต่อหลายหนทำให้ตาของเราฟ้าวฟางมองไม่เห็นสิ่งที่ควรไม่ควรนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่รักษาสินและวินยัยเล็กๆน้อยๆก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมอง เ, อเป็นมนลทินเพราะนั้นท่านจึงให้รักษาสินให้บริสุทธิ์ เมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นนั่งภาวนาเราก็ไม่พิตกกังวลมาพิจารณาถึงศีลงองตัวเองก็ไม่มีข้อด่างพร้อยจากนั้นก็เราก็นั่งภาวนานั่งภาวนาจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญในหลักของพระพุทธศาสนาทําไมจึงว่าสําคัญเพราะว่า พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพเมื่อท่านได้ตัดสู้แล้วท่านได้สาเร็จแล้วท่านจึงบัญญัติเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องกฎระเบียบเรื่องต่างๆขึ้นมาถ้าหากว่าท่านไม่ได้สําเร็จ เ, เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธศาสนาขององจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นจุดนั้นแนหะจุดที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้ในวันุดเดือนหกเพ็นนั่นแหนะ ที่ท่านได้นำแนะนำมาสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้ศึกษาในจุดนั้นเรื่องสมาธิศินพวกเราก็ได้รักษาตามพวกเราก็เป็นคราวญญาจงกสินห้าสินุโบสถเนี่ยพระก็คือศิลสอง้ีเจแต่เรื่องศินก็เป็นที่รู้กันถามว่าใครจะรักษาแข้งตรึงขนาดไหนถูกต้องขนาดไหน อันนั้นก็เป็นที่รู้กันในตัวของท่านในตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเองนะแต่เรื่องสมาธิเนี่ยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการสอนสมาธิทุกวันนี้มีหลายมีหลายแนวทางแต่ตามไมจริงกัน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะเหตุไยเพราะว่าสมาธิที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ก็40สบอย่างกรรมฐาน40่สิบยางนอกเหนือกว่านั้นไปอีกทำไมจึงนอกเหนือกว่านั้น อย่างเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าพระธรรมคำสอนของพุทธะบางองค์ก่อนนอกเหนือจากภาษาวกที่จะแนะนำสั่งสอนอีกต่างหากอย่างภาษาริบุตรลูกศิษย์ของท่านท่านแนะนำสั่งสอนกรรมฐานให้พอสอนให้แล้วจิตก็ไม่ได้จิตไม่สงบพอมาสั่งสอนอีกรอบสองไม่สงบสั่งสอนอีกรอบที่สามไม่สงบ ทำไมลูกศิษย์ของเราเราก็สอนจุดจนสุดความสามารถแล้วแต่ทำไมท่านองค์นี้จึงไม่เข้าใจในการสอนของเราเพราะการสอนของเราก็สอนองค์อื่นๆแล้วก็สอนมา ก, มา ก, มากต่อมากก็ได้รู้สึกรู้สึกได้สำเร็จมากผลมากต่อมากเหมือนกันแต่องค์นี้ทำไมคงจะไม่ใช่พิสัยของเราจามากท่านก็พาพระองค์นั้นไปกราบถุนพระพุทธเจ้า บอกว่านี่ลูกศิษย์ของข้าพระองค์องค์นี้ข้าพระองค์แนะนําสั่งสอนออชุดความสามารถคล้ายลักษณะอย่างนั้นแหะแต่เขายังไม่เข้าใจในในที่ข้าพระองค์ได้สั่งสอนเพราะพุทธองค์บอกว่าสาลิบุตรนี้ไม่ใช่วิสัยของเธอจะสอนพระองค์นี้เป็นวิสัยของพุทธะพระพุทธเจ้าฉะนั้นใจเป็นผู้สอนนี่แหละ หลวงพ่อมาพิจารณาถึงจุดนี้อีกเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายใครจะดีเดขนาดไหนที่จะสอนลูกศิษย์ก็ได้ในระดับหนึ่งครูใครอาจารย์เราอีกเหมือนกันนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่านหลวงปู่พุทธทาภพวกเราก็จะต้องฟังแนวความคิดแนวสติปัญญาของท่านพาเดินอย่างไรแต่ครูบาอาจารย์แนวสายหลวงปู่มั่นท่านก็สอนอย่างไร แต่จุดมุ่งหมายคือก็คือจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเหมือนกับคนหนึ่งทำํทำทํานาข้าวคนหนึ่งทําสวนยางคนหนึ่งทำไร่ข้อโพดแต่จุดประสงค์ก็กคือเงินเหมือนกันที่เอาไปขายแลเพื่อได้เงินเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราถ้าหว่าเราสรุปลงมาแล้วถึงเราจะไปปฏิบัติยังไงจุดหมายปลายทางก็คือมรรคผลผนิพาน อยากจะให้พวกเราพ้นทุกข์ในวัะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละแล้ ว, วกรอนที่จะเห็นจุดนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เราทำยังไงไม่ใช่ว่านึกเดาคาดกเนประมาณการเรียนรู้แล้วก็จบไม่ใช่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสไปเลยว่าต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้แล้วการปฏิบัติเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเนี่ย นี่แหละการปฏิบัติเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนต้องสมาธิสก่อนแต่พระองค์ที่ว่าเนี่ยท่านทําใหญ่ถ้าเมื่อท่านพระพุทธองค์ไปฝากหรือว่านําไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นวิสัยของพุทธาจากนั้นพระองค์ขอพอไปเย็นวันนี้แหละเราจะสอนให้พระองค์นี้ได้สําเร็จเป็นพระาราชนิ์เธอกลับไปก่อนนะภาษาเล่บุตรจากนั้นภาษาเล่บุตรก็กลับไป ท่านก็คว้าดอกบัวทองสีทองทองคำดอกบัวทองคำดอกดอกบัวเนลมิรมาจากเบื้องพระจดางคือเบื้องหลังของท่านมามอบให้เอาเธอนำไปดอกบัวนี้ไปเพ่งพินิษนะแล้วก็ไปวางไว้ทางหลังวัดนะเป็นกองสายขึ้นมาในที่สงบไม่มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ที่พวกพาา ปากนั้นก็อบอดอกบัวไปปักเอาไว้พอไปปักแล้วก็ให้เพ่งอดอกบัวดอกดอกนี้แหละคือพระองค์นั้นพอเห็นดอกบัวที่พระพุทธเจ้าประทานให้เท่านั้นแหละพอเห็นเท่านั้นมันซึ้งในจิตใจนะมันซึมว้าบเข้าไปในจิตใจสวนลึกเลยเท่านนี้ท่านก็ถืออบดอกบัวไปเป้าตาไม่ไม่ ไม่มองที่อื่นละมองแต่ดอกบัวดอกบัวโอ้ดอกบัวดอกนี้ทําไมสวยไอสวยงามจากนั้นท่านก็หาหมุมสงบกองสายขึ้นมาท่านก็ปักกองสายแล้วก็นั่งเพ่งดอกบัวดอกนั้นพอเพ่งไปตรนี้ดอกบัวนั้นเป็นดอกบัวเนลามิดพอนั่งไปมันก็เศร้ามองตรงนี้ไอ้ที่แรกคอนเสร็จสวยงดงามเหมือนกับดอกบัวเหมือนกับทองออกมาจากเบ้านั้งจานน่ะไอ้แต่ที่พอ ดูไปมันเกิเศร้ามองเศร้ามองเศร้ามองไปเรื่อยพอเจ้าหมอท่านข่านเห็นอันนี้จังโอ้โหเมื่อเราได้รับจากพระพุทธเจ้ามาดอกบัวดอกนี้สวยงามมากแต่บัด น, นี้เศร้ามองลงไปเรื่อยดอกบัว เ, เป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงใดๆในโลกล้วนอันนี้จังร่างกายของเราก็เป็นอันนี้จังเหมือนกันของไม่เที่ยงเหมือนกันพอท่านเห็นของไม่เที่ยงท่านเห็นอันนี้จังสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นสิ่งไหนเป็นทุก์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นท่านก็บอกดูที่ใจของท่านท่านกับปฏิเสธ เ, เห็นอนัตตาจากนั้นเขาได้สําเร็จพระอรหันต์นี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นท่านจะไปกร่าวพระพุทธเจ้า พ, พุทธเพองค์บอกว่าพระองค์นี้นะบุพกรรมเก่าของเขาเคยเป็นช่างทองเคยเป็นช่างทองตั้งแต่เขาติดช่างทองติดพบติดชาติมาตั้ง500ร้อยชาติแล้ว เพราะนั้นเวลาเขาจะทําอะไรเขาต้องแพ่งเล่งความสวยงามเพราะฉะนั้นท่านจึงสอน อ, อสุภาพให้กับเขาเร่างกายเป็นอสุภาพปฏิกูลอย่างงู้นอย่างนี้เออเกสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเอเอ็นกระดูกท่านให้พิจารณากรรมาฐานมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีแต่เพ่งในความสวยงามท่านให้อสุภาพของเขามันสวนทางกันเพราะฉะนั้น เราต้องให้ความสวยงามกับเขาเขาเป็นช่างทองเราก็ให้ดอกบัวที่เป็นสีทองเมื่อได้สีทองแล้วเกาเป็นนั่งกําหนดความสวยงามจากนั้นเขาก็เห็นอณิจังของไม่เที่ยงเพราะมันเศร้าหมองดอกบัวดอกนั้นมันเศร้าหมองจากนั้นเมื่อเห็นอณิจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละพระองค์นั้นเท่ากับเห็นอณิจังทุกขังอนัตตา อางนั้นท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายท่านก็เป็นหลุดพ้นเป็นพระหันนี่แหละอันนี้จบแล้วก็คือธรรมกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังไม่ใช่แต่กรรมฐาน40เท่านั้นแต่ยังมีองค์อื่นๆอีกมากมายที่ได้สําเร็จเป็นพระรหันในครั้งพุทธกาลเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านถ้าเราฟังสิ่งไหนจากครูบาอาจารย์พ่อฟังแล้วถึงใจ นฟังมาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติทําให้จิตใจของเราสงบตกงบนิ่งจากนั้นก็เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเี่ยภาวนามยะปัญญาจุดนั้นะเมื่อภาวนาคือทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาการตรองไตรตรองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของห ล, หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้ก็คือพูดแบบโปรปลัดแต่ถึงยังไงมันถึงจุด ก่จะกวาจะถึงจุดนั้นได้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเอาเถอะทีนี้ก่อนที่จะเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายอีกเหมือนกันจิตใจที่จะเป็นสมาธิอท่านสอนยังไงในแนวแถวของหลวงปู่มั่ น, นท่านสอนยังไงสอนลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่มั่นท่านสอนอสอนครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อก็เป็นหลานเป็นหลานของหลวงปู่ลักษณะเนี่ยคือ อาจารย์ของหลวงพ่อก็เป็นลูกลูกศิษย์ลูกปุกแล้วก็หลวงพ่อในในฐานะหลานเพราะว่าลูกลูกของท่านลูกศิษย์ของท่านมาสอนหลวงพ่ออีกลุงพ่อสอนลูกศิษย์เป็นเหลนลักษณะอย่างนั้นลุงหลวงครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่สอนก็คือหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามที่เป็นครูบาอาจารย์เขาบอกเออเวลานั่งสมาธิ ต้องหาหมุมสงบที่เยือกเย็นที่ที่ส บ, บายๆที่ไม่พุกพ่านวุ่นวายที่ไม่มีเสียงถ้าว่ามีเสียงอะไรให้อยู่ปราศจากเสียงถ้าเป็นเสียงธรรมชาติก็ไม่เป็นไรเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์สาธารเสีงยงเสียงอะไรก็ไม่เป็นไร <S <S ถ้าเป็นเสียงคนไม่ได้นะถ้าเป็นเสียงคนไม่ได้ถ้าเสียงคนเข้ามาจิต ใจของเราจะออกไปรับทันทีเนี่ยจะเสียสมาธิทันทีเพราะนั้นต้องอยู่ต้องอยู่ห่างจากเสี่ยง เ, เมื่อได้ที่หาที่แล้ว เ, เรานั่งคัดสมาธิกำหนดลมหายใจเวลานั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วปน ม, มือซะก่อนนะไหวครูนะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทุกศิษย์นะคือไหว้ครูก็คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนเพราะว่า การที่นั่งภาวนาไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสำสําสั่งสอนครูบาอาจารย์กันนําทำำําคําสอนต่อๆกันมาจากพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนวิธีการภาวนาอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าพุทธองค์ได้สําเร็จเป็นได้ตรัสรู้เป็นพนระอนุตตสัมมาสาัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนท่านทํำยังไงท่านนั่งขัดสมาธินี่แหละท่านกันนําจุดนั้นมาสอนลูกศิษย์อีกเวลานั่งจะนั่งสมาธินะ นั่งคัตสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกแต่ต้องไหว้ครูซะก่อนนะคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ต้นศาสน า, ศ า, ศาต้นพระพุทธศาสนาธรรมโมก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกสังโฆก็คือพระสงฆ์ในดําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษา นี่เราสังโฆเพราะฉนั้นเราต้องระลึกถึงบุญคุณที่พวกเราได้รับปฏิบัติมานี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นต้องไหว้ครูสก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆ อ, อย่างนั้นเอามือลงอย่างนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพุทธะแต่หลวงปู่มั่นท่านขบอกว่าถ้าเรากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉย เออมันหลงมันลืมมันหลงเงินได้ง่ายนะเออต้องสำทับกับพุทโธด้วยนะอันนี้ก็คือท่านสอนลูกศิษย์ของหลวงปู่นะเออจากนั้นลูกศิษย์ของท่านก็เลยแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจึงเป็นแนวทางที่ ว, ว่าลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นภาวนาพุทโธนะเออแต่ตามไม่จริงเอ่อพุทโธกันอยู่ในอนุสติดนะพุทธานุสติทำรรมานุสติสังขาชีราจาคาเทวตา อาณาปานสติพวกเราได้ศึกษาพวกเราคงจะรู้ว่าอนุสติสิบนั้นคืออะไรแต่หลวงปู่มั่นท่านนํากรรมฐานสองอย่างคือพุทอาณาปานสติพร้อมกับพุทโธนะพร้อมกับพุทโธแต่หลวงพ่อเคยได้ยินนะได้ยินหลวงตาองค์หนึ่งมาถามหลวงพ่อครับท่านบวชภายแก่นะมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมภาวนาพุทธโธพุทโธเนี่ย มันแน่น่นแน่แ น, น, นหน้าอกผมผมผมก็เลยภาวนาทำโมทำโมทำโมหายใจเข้าทำให้ออกโมทำโมทำโมจิตใจมันโลง่งจิตใจก็เข้าความเข้าสู่ความสงบได้เอหลวงพ่อก็มาแปลกใจอีกเหมือนกันพูดโทรก็ทำโมเนี่ยสองคำเนี่ยเพราะนั้นมันทำไมมันแปลกกันวะนี่แหละมันเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคณะทาญาิโยมลูกหลานนะ เอ่เนี่ยว่ากรรมฐานนี่ะนะเออพ่นเออหลวงตานั้นบอกว่าภาวนาพุทโธมันแน่นหน้า อ, อกเออแน่นเข้าแน่นเข้ า, นนขาจนภาวนาไม่เป็นพอในสุดมาเปลี่ยนกรรมฐานใหม่ว่าทำโมเออนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึ่งเหมือนกั น, เ ป, นเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันอันนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทหายใจเข้าพดหายใจออกโธ แต่เวลากำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกอย่าอย่าตามลมเข้าไปในท้องและก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นในเมื่อลมหายใจเข้าขรู้ว่าหายใจเข้ า, าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกท่านก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าให้เหมือนเสมือนเรายืนอยู่ข้างประตูประตูเข้าบ้าน ประตูเรือนของเราเวลาแขกโขนเข้ามาเราก็ลวกโขนเข้าแต่เราไม่ต้องตามคขนเข้าไปว่าข้างไหนเขาไปไปอยู่ที่ไหนเขาไปทำอะไรไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามดูเวลาลมออกมาก็เหมือนกันไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่ว่าลมลมเข้าเพียงแต่ว่าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้มีสติสัมปชัญญะเพียงแค่นั้นอันนี้คือ เวลากําหนดลมเวลาลหายใจเข้าบริกรรมพจน์หายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโถหรือะจะกําหนดแต่ลมเฉยเฉยก็ได้ไม่ต้องบริกรรมแต่หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ข อ, องหลวงพ่อบอกว่าต้องสามทับกับพดโถนะมันเป็นมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวส่วนส่วนหนึ่งของจิตใจควรจะบริกรรมพดโถด้วย อ, อันนี้ก็คือท่านสอนสอนสุกสิทธิ์ลูกหาของท่าน แต่ถ้าเขาว่ามันไม่อยู่มันยังเสือสลัออกไปอยู่มันยังเผลอออกไปอยู่มันมีส่วนที่จะเผลอออกไปให้บริกรรมพุทโธ Hotel ให้ทีนะให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสำทับอยู่ในตัวผูร้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นละตัวความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นให้พุทโธอยู่กับตัวนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือที่ท่านสอนว่าให้ภาวนาให้สำทับอยู่กับพุทโธ แต่เมื่อจิตใจของเรามีความตั้งใจมีความพยายามมีความมุ่งมั่นพยายามทําจิตใจให้สงบถ้ามันเผลอก็ดึงกลับคืนมาถ้ามันเผลอกลับคืนมาหลายครั้งต่อหลายหนจากนั้นจิตใจก็จะได้รับความสงบมันจะนิ่งเลยทีนี้มันสงบนะเพราะเรามีความใส่ใจสนใจเราจะไม่ให้มันออกในขณะที่เรานั่งภาวนาะจากนั้นจิตใจสงบนิ่งพอสิเจ แต่มันควรที่มันจะสงบงีนิ่งบางครั้งบางคนนะพอจิตใจพอสงบไปอพอนั่งไปจิตใจมายนเย็นว่าบนะเหมือนกับ เ, เราเหมือนกับเราเผลอลักษณะอย่างนั้นแหล ะ, ะมันเผลอชั่วขณะหนึ่งอันนี้ข่านว่าว่าคณิกะสมาธนะิจิตใจเริ่มนะเริ่มจะเห็นผลแล้วนะนะจิตคณิกะสมาธิจิตใจจะเย็ดมีความสุขคือจิตใจเพียปกติ ในชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วมันเผอหรือเปล่าแต่จิตใจโอ้มีความสุขจริงๆที่มันมันแฝบมันว่าไปเมื่อกี้เนะี่ยนี่แหละอันนี้เราพยายามจะให้มันเป็นอีกอันนี้ท่านว่าจะไม่เป็นนะเราไม่ต้องคิดให้มันเป็นอีกเพียงแต่ว่าเราพยายามรักษาให้ภาวนาไปเรื่อยๆให้มีสติขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันเป็นไปเองแต่ถ้าเราอยากแล้มันจะไม่เป็นเพราะ พอมันเป็นลักษณะมันเหมือนจะเป็นอย่างเก่าแล้วเนี่ยมันจะถอนออกมาทันทีนีอันนี้เรียกว่าท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านอย่าอย่าตั้งความอยากจุดนี้คือให้ภาวนาไปเรื่อยๆหายเอาเหตุให้มันเพียงพออย่าให้มันเผลอถ้ามันไม่เผลอน่ะต่อไปมันจะสงบได้อีกถอมันสงบครั้งต่อไปมันจะเป็นอุปจาระคล้ายๆว่าสติกับจิตควบคุมกันอยู่สติกับจิตควบคุมกัน นึกใจจิตจิตใจตจิตของเรานึกคิดเรื่องอะไรเราจะเห็นเห็นในความนึกคิดจุดนั้นจิตมันทันมันทันความนึกคิดจุดนั้นใจของเราคิดเรื่องอะไรมันจะไม่ต่อนอเปิดเปิเปงท่ีเพราะอะไรเพราะว่าสติของเราทันควบคุมจิตควบคุมจิตอยู่อันนี้เรียกว่าจะว่าจิตสงบ เ, เป็นอุปจาระก็ใช่ แต่หลวงพ่อตั้งว่าจิตมันอยู่ใคร้ข้าว่าสติของเราควบคุมจิตไม่ให้ทะเลาะเทไหลจิตใจของเราไม่ให้ออกนอกรูนอ ก, นอกทางจิตใจอยู่ในกรอบของสมาธิกรอบของสติเมื่อสติดูจิตใจแต่รู้นะเสียงอะไรมาก็รู้แต่ใจไม่ส่งออกไปใจไม่หิวไม่หัวใจอยู่กับตัวเอง เ, อเสียงคู่คนเสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงลาเสียงฟ้าร้องอะไรได้ยิน แต่ว่าจิตใจไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งไปตารู้แต่สักว่ารู้ได้ยินแต่สักว่าได้ยินแต่จิตใจอยู่กับตัวเองอันนี้ก็คือเป็นสมาธิในระดับหนึ่งแต่มันมากกว่านั้นแถมมันลงว่าบลงไปอีกลึกลงไปสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอั น, น, นเดียวกันอันนั้นเรียกว่าจิตที่รวมสงบที่สุดเออจะว่าชานก็ได้ เรียกว่าจิตเป็นอัปปนาสมาธิก็ได้เอแต่พวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมาฐานหลงปู่หลงตาที่ท่านจะไม่ได้ว่าฌานปฐมฌานสติยจฌานสติจตุเจฌานสติเจฌานสติจตุเจฌานท่านจะไม่ว่าฌานท่านพูดแต่ว่าสมาธิจิตที่เป็นสมาธิจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งอัปปนาสมาธิจิตที่รวมเป็นหนึ่งสติเป็นนันใดจิตเป็นนั้นนะั้นจะไม่รู้สึกทางกายจิตรวมจิตรวมประเภทนั้น จะไม่ไม่ออกไม่ออกมาสัมผัสทางกาย เ, าเราทางหูเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันจะเน่งทั้งหมดเลยเรานั่งอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เสียงฟ้าร้องฟ้าป่าเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งนั้นเพราะใจของเราไม่ออกมาสัมผัสทางกายไม่รับรู้ทางกายเลยในขณะที่จิตสงบนั้นนี่อันนี้ก็คือจิตเข้าสู่ความสงบ เ, เป็นหนึ่งาบางคนก็อยู่ได้นาน บางคนก็อยู่ไม่ได้นานแต่ว่าพอถอนออกมาเท่านั้นถอนออกจิตสงบจุดนั้น่ะ เ, เรารู้ได้ด้วยตนเองเลยท่านจิตของเราเมื่อกี้นี่ยจิตของเราสงบเรล่เปล่าไม่ต้องถามใครเลยถ้าถามก็ถามแบบหลอกๆเล่นๆถามหมูพ่พกเพื่อนถามครูบาอาจารย์เอ๊ะกระผมภาวนาอย่างนี้นะ่ะมันเป็นอย่างไงจิตสงบหรือไม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน ผ่านความสงบไปแล้วแล้วท่านก็จะบอกว่าจะไปถามหรอกถามทาไมก็รู้แล้วรู้ได้รู้รู้ได้รู้ได้ไ ด, ด้วยตนเองแล้วจะไปถามทาไมนี่แหละท่านรู้แล้วว่าจิตประเภทนั้นเมื่อจิตสุกเข้าสู่ระดับนั้นแล้วจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งนั่นอพอถอนขึ้นมาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอันนี้คือจิตสงบแล้วก็อีกอย่างหมันมากกว่านั้นไปอีกตรงที่ว่า เมื่อจิตสงบลงจุดนั้นน่ะเราจะรู้ได้โดวเจเงว่าร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ใจมันได้มาสัมผัสทางร่างกายไม่ได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกทางลิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสงบอย่างนั้นไม่ไม่ันไม่สัมผัสทางทางหูนะหูมันจะไม่ได้ยินเลยแต่ทางตาก็ไม่ว่าละทางตามันหลับนะแล้วก็สัมผัสทางร้อนเป็นเห็บเป็นอะไรจะไม่ได้ไม่รู้ทั้งหมด มันหายไปหมดมีตวัวสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านะั้นจากนั้นพอมาถอนขึ้นมามารับรู้ทางกายมันก็ปวดแข้งปวดขาท่นี่รับรู้เสียงอะไรเข้ามาก็ได้ยินอันนี้เลยว่าจิตที่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนั้นนั่นแหละจุดนั้นแหล ะ, อะบอกกับตนเองได้เลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ อ, อันไหนเกิดอันไหนตาย ร่างกายตายแน่นอนอหมดสภาพแน่นอนแต่นามพระธรมคือจิตใจดวงนั้นเนี่ยที่มันสงบนิ่งที่เป็นเอกเทศจุดนั้นน่ะนี่แหละจุดนั้นน่ะในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญความสําคัญในเรื่องของใจเออจะว่มันโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ เนี่ยสรุปแล้วคือกายกับใจถ้าเราทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้โดยตอนเด็กเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบให้กับพวกผู้ปฏิบัติทั้งหลายบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแต่นามธรรมาคือใจเนะี่ยคือคนขับรถรถกับคนขับรถมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่มันอยู่ด้วยกันรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับแต่ว่า คนนะอยู่ในในรถนะที่ว่านามธรรมร่างกาย เ, ยเป็นรู ป, ประทับแต่มันอาศัยกันอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งโรู ป, ประทับเนี่ยมันจะต้องแก่ไปตามสภาพของมันแต่จิตใจไม่มีคําแก่นามธรรมด้วยไม่มีคําว่าคําแก่เพระออกจากร่างนี้แล้ว เ, เหมือนกับเราไปใช้ใช้รถใช้ไปใช้ไปใช้ไปอ า, อายุมันห้าหกปีสิบปีนั่นแหะ เป็นรถเก่าแล้วโคกเขกไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วนะี่ลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้ก็เหมือนกันจใจของเรามาใช้ล้ร่างกายนี่นก็บางทีก็ร้อยปีพอจากนั้นก็หมดสภาพแล้วร่างกายของเราเถ้าเกินกว่านั้นแกแปลว่าพยุงอาศัยคนอื่นละแต่ขนาด5 6าหกสิปีอย่างตรงพอดแต่ถ้าจะลุกขึ้นไปนะก็ต้องอาศัยคนอื่นพยุงเนี่ยนี่แหละร่างกายมันเป็นอย่างนั้น คือมันแก่นะเออมันมันไหลายไปสู่สภาพมันแต่จิตใจนะไม่นะเออจิตใจเนะี่ยยังยังเหมือนเก่าจะกระโดดโลดเต้นเต้นได้อีกต่างหากแต่จิตใจเนะี่ยแต่ร่างกายนะั้นมันไปตามสภาพของมันนี่แหละเพราะพระเจ้าให้ความสําคัญในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจเนละเออมันโนปุบพังเขางา้ามาทำมาเนะี่ยใจทั้งหลายมีใจเป็นเรื่องทลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจนั่นแหละขอให้พวกเราคณะสถาน ญ, ญาติลมทุกๆ ท, ท่านนะอที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องอสมาธิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอยากจะคิดว่าการพูดและการกล่าวสมบทนิยธรรมแตวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาว่าดูๆแล้วมันหลงมันแรงขึ้นเรื่อยๆวะ่ะทําไมมันมีหลงขนาดนี้ว่อ <laughs> เสียงลบกวนเลยคณะสัาาธาธายาญาติโยมลูกหลานเอาลบก้อให้พรก่อนก็ได้เทศแล้วน ะ, ะรับพรนะจะได้คณะสัยาญาติโยมลูกหลาน